ตั้งสาตุชนุตรบรัยต่างรลายไปนั้นว่าเมื่อวานนี้หรือว่าวันก่อนมาหยุดลงตรงที่พยานที่พยานคุฑจับพยานนาคมาแต่ถ้่ว่าพยานครุฑยังโง่ไปจับพยานนาคทางหัวหางมันก็ห้อยพยานนาคเจนเดดดึงเอาต้นทายทติดไปด้วย แต่ก็อาศัยที่สายเดือยงต้นไทรติดไปก็ฟาดกับต้นไม้บ้างอะไรบ้างเนื้อหน้ากันเหลวเม่อไยาคุดไปถึงต้นยิ้วที่สําหรับฉีกเนื้อหน้ากิงเนื้อหน้ากันเหลวพยาคุดเลยไม่กินปล่อยทิ้งลงทะเลจบลงตรง น, นั้นพอดีเพราะเวลาหมดวันนี้ก็ต่อกันไป <c oughs> ว่าเป็นอันว่าเมื่อพระยาครุฑทิ้งพย า, ยาน้าลงใมหาสมุทรต้นไทรที่ติดหางหน้าก็ตกลงไปเสียงดังสนั่นพย า, ยาครุฑสงสัยว่ามันเสียงอะไรทิ้งหน้าลงไปจะเสียงดังโครมแบบนั้นมองไปเห็นตน้นไทรกนนี้ได้โดยที่ยวเขาว่าถ่องแท้นะ ก็นึกขึ้นมาได้ว่าต้นไสที่ท้ายจงกรมของนาบทเกิดบริวารที่จงกรมของฤาษีจึงเกิดสงสัยว่าตนจะเป็นผู้ทาผู้อาโศลคือว่าทำบาปไว้เรื่องนี้มันจะบาปหรือไม่บาปว่าต้นไสต้นนี้เป็นที่พักสบายของฤาษีเวลาจำศีน คิดแล้วจะได้แปลงเพศมาเป็นมานบน้อยไปยาสานักของนาบทขณะนั้นท่านฤาษีโดอที่เรียกกันว่าอันดาบทก็กำลังปราพพื้นที่ให้รับอยู่พอมานบน้อยมาถึงยิ่งถามว่าที่เดิมตรงนี้นะ่ะมีอะไรหรืออยู่คนรับ ท่านดาโบาจินี่บอกเล่าความให้ฟังตางงมความเป็นจริงว่าพยานนาคจับพยาครุฑมาพยานเขาต่อหางเกี่ยวต้นทายหลุดไปอ่านมานพจินีถามว่าไอ้กรรมการทำอย่างนี้มันเป็นเป็นอกุศลไหมคือว่าเป็น ค, ว า, นความชั่วไหมอกุศลก็คือความชั่วอกุศลแกรรมจะมีกัญญาครุฑหรือไม่ ทนายสีก็ตอว่าอากุศลกรรมนะไม่มีเพราะว่าพยาครุษไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจพห้พยามนาคมาถอนตอน้นไทรพยาเขจึงถามต่อไปว่าอากุศลกรรมก็คง ม, มีแก่พยาน้าต้นนั้นก็มั้งเพราะว่าพยาหน้าต้นนั้นเอาหามมาดึงเอาต้นไทรไปนี่ทนายสีก็ตอบว่าน้าต้นนั้นจับต้นไทรไม่ได้เพื่อหวังจะทําลาย แต่เพื่อหวังจะให้พลภผัยเพราะฉะนั้นอากุณคือความชัว่วใดๆก็ไม่มีกับพญายนาคเหมืนกันสำหรับพญายมานพน้อยเุ้ายาทุดได้ฟังท่านเรือศีรัวดาบิกกล่าวอย่างนั้นก็ยินดีที่นี้กล่าวว่าขา้าพเจ้านี่แหละคือพญากุด น, นั้นขา้าพเจ้ายินดีนนนในการที่จะแก้ปัญหาของท่านขา้าพเจ้าขอถาไวายไปบทห น, นึ่งน ถวายมนไว้บทหนึ่งชื่อว่าอารัมภายเป็นมนที่มีค่าคือหาค่ามีได้ท่านดาบดทถามว่าจึงบอกว่าแช่างเถอะเราไม่ต้องการเลยม น, มนอะไรแล้วไม่ต้องการเราจำสินเพระหวังการกุศลท่านจมไปเถิดแต่วิยาเขก็วิงวอนถวายมนแก่าดาบทท่านดาบทก็รับไว้จนได้ ต่อมาตามท้องเรื่องของชาดกท่านเราว่ายังมีพราหมณ์คนหนึ่งอยู่ในเมืองพาราณสีได้หยิบยืมหนี้สินเขาไว้มากมายทัานเจ้าของก็มาทวงมาถามเข้ามาเข้าก็คิดว่าเราหน้ากลัวจะอยู่เมืองนี้ไม่ได้อนี่มันเยอะจริงๆ จะยอมเข้าไปตายทนในป่าดีกว่าคิดแล้วก็ออกจากบ้านไปเข้าไปในป่าบรรลุถึงอาสมพ้นดาบทจึงเลย อ, อยู่ปฏิบัติท่านดาบ ท, ที่ความจำใจคือไม่ได้ตั้งใจเป็นไปบำเพ็ญเพียนบุญกุศลแต่วันหนีเจ้านีจนบรรดาบทพอใจเาคิดว่าพรามคนนี้มีอุปการะแกเรามาก เราจะให้มนที่ปียาครุฑให้ไว้กับพราหมณ์นั้นนี่ให้หอกกับคนร้ายให้อาวุธกับคนร้ายเหมือนกับเรื่องอะไรจันทร์โครพ ม, ม, มีเมียเมียเกิดไปรักโจรจันทร์โครพ บ, บอกให้ส่งไปขันแต่ก็ น, นึกว่าให้โจรคนนี้มันสวยก็ผัวเราเราอยากได้มันเป็นผัวจึงส่งให้ท่ากลางเอาทําคมให้จัดดันด้า น, า น, านสามี เอาดั่ให้กับโจรโจรก็เลยฆ่าสามีตายนี่ก็เหมือนกันท่านดาบทให้มนร้ายกับพราหมณ์พราหมณ์คนนี้หนีนี่เข้ามานี่ไ อ, อ้คนประเภทนี้มันไม่ใช่คนดีไอ้คนหนีนี่เป็นคนเลวให้มนกับพราหม์คนนี้แล้วพราหมณ์ก็เรียนมนชื่อว่าอารลำพาย ทำให้พรามองเห็นุมบายที่จะเลี้ยงขีดต่อไปและคิดที่จะทำลายพันดาบทเสียเห็นไหมละ่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอาศส ว, ว่ า, า, านางจงยจะพาลานังจงอย่าคบคนผานขี้ที่ว่าคนผานสันดาหยาบคนที่เป็นศัตรูที่จะมาบอกว่าเป็นมิตรเน่ะจงคิดให้ดีเราคบได้โดยสัมมทินียรธรราแต่ถ้าว่าจงอ ย, ย, ย่าไว้วางใจ คิดไว้เสมอว่าเจ้าคนนี้เมื่อไรถ้าหากว่าเป็นศัตรูกับเราเขาจะต้องตายเมื่อนั้นอืแปลว่าเรียกจะเลี้ยงชีพคือว่าตาจาลายดาบทสี่ห้ว่ า, างินนั้นต่อไมอ้สักหน่อยไม่เล็กน้อย<ม>ก็อ้างเหตุผลลาดนดาบทไปไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็เดินออกจากป่าไปจนถึงแม่นม้ํำยมนา เดินสาที่ยหม่นไปตามหนทางขณะนั้นนาหนาควิกาบริวันขมวโพดีทัพก็พากันถือดวงแก้ววิเศษออาจากนาคบีพบมาแล้วก็วางแก้วไวบ้บงกองทรายริมฝั่งแม่น้ำพากันลงไปเล่นในน้ำตลอดคืนคันวันนุ่งอรุณก็ขึ้นจากน้ำมานั่งล้อมแก้ววันนี้นั้น เพื่อให้แสงแก้วเข้าสู่กายพอพราหมณ์เดินสายท า, า, ายาบนสายสายทายาเธอสวดเติมท่องมนต์ว่ากระถาเรื่อยๆมาแม่ทิ้งนางนาคคุริกาทั้งหลายเหล่านั้นแหม่นี่แกว่ากระถาฝุ่นมันเป็นกระถาสารพัตดนึกปราบรายก็ได้นีีงเสียงมนต์เชื่อว่าลำพายก็นึกว่าพราหม์นั้นเป็นพยาครุษ ตกใจกลัวความตายแต่ก็รีบแทกพื้นดินหนีไปยังหน้ากบรบี่คบเริมหยิบแก้วมณีนั้นไปด้วยรามเห็นแก้วมณีก็ดีใจหยิบไปฝ่ายรามเนรสตร์กับสมทัตซึ่งกำลังออกหน้าเนื้อยอยู่ในป่าเห็นพระนั้นถือแก้วมณีเดินมาจึงได้พูดกับบทว่าแก้วมณีดวงนี้ เปลี่ยนดวงที่พระโพธิทัศน์ให้เราไม่ใช่หรือบุตก็บอกว่าใช่แล้วพอ่อถ้าอย่างนั้นเราจะหลอกเอาเสียอบุตรจึงมาลูกชายจะบอกว่าเวลาที่พระโพธิทัศน์ให้พ่อก็ไม่รับเดี๋ยวนี้กลับจะมาหลอกกระพรามคนนี้เอาเสียอีกอย่าเลยพอ่อมันเลวมันไม่ใช่เรื่องดี แต่พรามพ่อเขาบอกว่าเขาช่างมันเถอะค่อยดูพ่อจะหลอกพรามคนนี้เอาแก้วมนีสใส้ได้แล้วเข้าไปพูดกับพรามคนนั้นว่าแก้มนีมีสิริมงคลทําให้เกิดความรื่นรมย์ใจที่ท่านถืออยู่เนี่เดิมนี่มันเป็นของไครนะตาพรานั่งบอกเดิมเป็นของพวผู้หญิงตาแดงๆนั่งล้อมกันอยู่ เราเดินมาก็พอดีในวันนี้เองมาพบเขา้าเราว่ามลเพลินไปแม่ผู้หญิงคนนั้นหนีไปเราเลยก็เลี้ยวแก้วม า, รร า, า ท, วท่านพราหามเนรศาสิ่งเก่าเจนิเก่าวว่าแก้วนี้เราเคารพ บ, บูชาประดับและรักษาดีอท่านบอกว่ายังยไงนะแก้วนี้ถ้าเคารพแล้วก็บูชาประดับและเก็บรักษาดีก็จะให้คุณ ถ้าถักษาไม่ดีมีแต่ความพินาศผู้ไม่ฉลาดก็ไม่ควรจะมีไว้เราจะทองแก่ท่านร้อยแท่งแต่ว่าท่านให้แก้วมณีแล้วก็เราขอให้ท่านอย่ให้แก้วมณีแล้วก็แก้วมณีนี้ก็เราเถิดถ้ารามคนนี้จะเป็นหนี้เขมากรามเพราะว่าของดีมีค่าอย่างนี้ไม่ควรจะเรียก ก็จะแลกกับทองและทรัพย์สิน ใ, นใดๆท่านนั้นเราไม่ขายให้ในพราหมเนสาน่าเได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านต้องการอะไรเราจะให้ถ้าพระามก็บอกว่าเราต้องการจะรู้ที่อยู่ของพยานหน้าผู้มีฤทธิ์เพราพยานหน้าที่ไหนมีฤทธิม์มากๆกว่าน้า ใ, นใดใครบอกเราได้เราจะให้แก้วกับโบนั้น รามเนศาจินนกอไม่อยากไม่อยากไม่อยากนี่ท่านพยาครุฑเที่ยวไปแสวงหานากเป็นพัตตาหารเป็นของตนหรือที่เราเนละ่ยพวกเราเราไม่ใช่พยาครุฑแล้วก็ไม่เคยเป็นครุฑแต่เราไปมองโอ้สนใจงูพิษ เราต้องการอยากจะพบพยานาที่มีพิษมากๆพระพ้างก็ ว, กว่าเราขอถามท่านหน่อยเถอะท่านมีกําลังเพียงไรแล้วก็มีศีลบัตทบาทอะไรมีความรู้แบบไหนหรือว่ามีคุณวิเศษอะไรจรึงไม่เกรงไม่เกรงกลัวพยานนาเพราะพยานหน้ า, า, นามันมีพิษร้ายมากอ <c oughs> ีตนี่ยบอกว่าเรามีคุณสมบัติพิเศษ เธอมีมนชื่อว่าอาลัมพายยังได้ยังได้เรียนมาจากดาบทชื่อว่าโกศิยะโคดเราเป็นอาจารย์ที่สา ม, มารถจะฆ่าสัตว์ที่มีพิษร้ายได้ในมนนี้ถ้าพราหมคุยพรามเนศศาสตร์เห็นทางจะได้แก้วจึงเรลสากระบอกว่าเราจะแก้วนี้สิเพราะเราเอาแก้วนี้สินะสมทัทสมทัศทศ เมื่อมีโอกาสแล้วก็ไม่ควรจะปล่อยให้หลุดมือไปแต่ถ้าว่าแต่ว่าลูกก็คัดค้านลูกเขาดีว่าพ่อจ๋าเราไปถึงที่อยู่ของ พ, อพระโพธิทั์และท่านกบูชาเราทำไมพ่ อ, อยิงจะมา น, นั่งคิดประทร้ายต่อผู้มีความดีแก่เราด้วยความหลงอย่างนี้ ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์สมบัติอันใดก็ไปหาท่านสิท่านคงจะให้และจะให้มากๆด้วยที่ถ้าพ่อก็บอกว่าเจ้าสมทั์เจ้ายมารู้ดีไปกว่าพ่อนะเราควรจะกินของสขซึ่งมีอยู่ในภาชนะที่มือที่ถึงมือเราอย่าปล่อยให้ประโยชน์ที่เห็นไปจากตาล่วงพ้ลไปผ่านไปเสีย นี่ ล, ลูกหลานที่รักสันดานพ่อกับลูกนี่ไม่เหมือนกันลูกเป็นคนดีมีความกระตันอยู่รู้คนแต่อย่าพ่อเป็นคนสันด า, อานอย่าเปลี่ยนผ่านอันนี้จงจําไว้นะว่าสันดานอย่างจะตั้งความเนศ้สารเนี่ยจงอย่าไปประพฤติปฏิบัติมันเป็นความเลวแล้วมันก็เป็นทุกข์คุยกันต่อไปคนที่ปุถุสลายมิตรลูกชายว่าอย่างนั้น่ะ ลู่ชายบอกว่าคนที่ประทุษรายมิตรสละความเกื้อกูลก็จะต้องไปหมกไหมอยู่นนในนรกที่ร้ายแรงแผ่นดินย่ำคุ้นครองบคุคคลผู้นั้นไว้ไม่ได้หรือว่าเมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบสีดถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระภูรีทักษ์ก็จะพระราชทานให้ถ้าพ่อทำร้ายท่านพ่อจะประสบกบเกวงกรรมที่ทำไว คือความพี่น่าจะมาถึงพ่อแจเขาเ้าติให้ดีนะขน้าท่านบอกว่าคนที่ประทุสรายมิตรสมรทัตนี่เป็นคนดีมากควรจะเอาประพฤติตามอย่างท่านถ้าเขาเป็นมิตรที่ดีสําหรับเราเราก็ควรจะดีกับเขาไม่คิดประทุสร้ายเขาถ้าบอกคนที่ประทุสร้ายมิตรแสละความเกลื้อกูลนหมายความว่าไม่หวังดีกับมิตร จะต้องโกรกไหมในนรกอันร้ายแรงความจริงนรกชาติหน้าเนะ่ะเรามองไม่เห็นแต่นรกชาตินี้เราเห็นเราคิดประทุษร้ายเขาเขาก็คิดประทุษร้ายเราฉะนั้นยินแนะนํนนาลูกหลานเขาไว้ว่าถ้าคบคนแล้วก็จงรักเขาเท่ากับรักเราและจงคิดไว้ได้วยว่าสักวันหนึ่งเขาอาจจะเป็นศัตรู ข, ของเราเระวังไว้แล้วรักได้แต่ว่าจงอย่าไว้ใจ นั่นแ่ลว่าแผ่นดินย่อมคุ้มครองคนอย่างนั้นไม่ไม่ได้เมื่อมีชีวิตอยู่ก็สูบสิ่งคือคนที่ไม่มีความกตันอยูรูค้คนไม่มีความผองใสเพราะว่าถ้าทุกขทุสร้ายมิตรมิตรเป็นศัตรูอะไรตัวเองก็ต้องระวังภัยหาความสุขไม่ได้ถ้าพ่ออยากได้ทรัพย์พระพุทิทัติประทานให้ถ้าพ่อทําร้ายท่านพ่อจะประสบกับความพินาศ นี่ลูกสอนพ่อเจ้าพ่อก็โกรธบอกว่าดูก่อนเจ้าสมถ์เราเป็นพร์บูชามาหายัณย่อมบริสุทธิ์จากบาปได้นี่ความจริงมันไม่มีไอบาปนี้เราแเราความชัว่วจำให้ดีนะความชั่วทุกอย่างดาพ่อล่อแม่มีความอาตตัญยูไม่รู้คนคิดว่าทุจร้ายบุคคลอื่นลักทรัพย์สินเขา แย่งคนรักพูดโกโหกดึงสุราเมรไรที่เรียกกันว่าบาปก็คือมันเป็นความชั่วเราต่อเขาตอไปว่าเราทำผิดต่อพระโพธิทัศน์แล้วเราก็บูชายันเสียก็พ้นบาปแต่ความจริงมันไม่พ้นเป็นอะไรเขาตัดสินใจว่าเอาละถ้าอย่างนั้นเราจะต้องแยกทางกันลูกจะไม่เดินทางร่วมกับพ่อผู้ทาความชั่ว ้าบาปชาอย่างนี้ต่อไปอีกอมแม้แต่เพียงแก้วดวงเดียวไปว่าลูกชายขอพ่อเลิกกันถ้าพ่อเป็นคนอักตันอยู่ไม่รู้คุณคนแบบนี้ลูกก็ขอเดินแยกทางกับพ่อนี่ลูกหลานที่รักควรทำใจอย่างท่านสมุทัตเมื่อพ่อเลวจงอย่าเลวตามพ่อ แต่การกระตันอูรู้คุณเมื่อพ่อป่วยไข้ไม่สบา ย, ายพ่อหมดนะไม่มีอาหารจะกินเราให้พ่อท่านกินได้ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าจงบูชาบุคคลที่ควรบูชาพ่อแม่นี่เราควรบูชาท่านแต่เราก็บูชาในด้านความดีที่ท่านมีความเมตตาปาณีถ้าพ่อเป็นโจรเราก็จงอย่าเป็นโจรตามแต่วเวลาการให้ข้าวให้น้ําให้เสื้อให้ผ้าให้ย า, ารกักษาโรค ในการสนองความดีในฐานะที่ท่านพูดเป็นผู้มีคณเราทำได้ไม่ผิดคุยันต่อไปว่า่้สนสมัยถ่ากลับแบบนี้แล้วแล้วก็เห็นว่าถึงจะอย่างไรก็ตามก็ไม่สามารถที่ยับยั้งความคิดคําพ่อได้จึงไปกลายขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าถ้าไปเจ้าจับไม่ไปกับคนชั่วอย่างนี้อีกละ่ะ แล้วก็ห น, นีพ่อไปต่อหน้าเข้าไปที่มาผ่า น, นบรญชาเป็นฤาษีธรรมปัญญาสัมมาัติให้เกิดขึ้นไม่เสื่อมคลายแล้วก็ได้ไปเกิดในพรมโลกนี่คนดีเขาไปอย่างนี้ไนะอย่าไปนึกว่าพ่อทําอะไรเราต้องทําอย่างนั้นพ่อโกงเราต้องโกงทําพ่อพ่อทุจริตเราต้องทุจริตตามพ่อมันไม่จําเป็นแล้วความดีไปพูดต่อไป ข้างสำหรับพรามเนศาสตร์ก็คิดไปว่าสมทัตไปจะไปไหนนอกจากบ้านคิดว่าลูกชายกลับบ้านก็นเห็นท่าทางอลัมพายไม่พอใจที่นี่ปลอบว่าท่านยวิตกไปเลยเราจะชี้ที่อยู่คณาบริทันใหน้ว่าแล้วก็พาไปยังที่ราสาวสดของท่ า, านพระคุณญานาค เห็นวิญา น, นาคนอนขดโย่บนจอมปลวกหยุดยืนอยู่ในที่ไม่ไกลนักแล้วก็เหยียดมือชี้มือแล้วก็บอกว่าท่านจงเอานาคเอานาคใหญ่นั้นแล้วก็ส่งแก้วมณี น, น, นี้ให้เราเถิดถ้าภูริทัตลืมตาขึ้นเห็นพรามเนศจิงคิดนี้ว่าเราได้คิดแล้วว่าไม่ผิดเลยว่าพระอิทธพรามคนนี้จะต้องมาทำอันตราย แกวโบสดของเราเราจึงได้พาไปยังหน้ากั บ, บิภพให้ทางยศให้ทั้งสมบัติไปอ็นมากท่านให้แกวว้วมณีแกก็ไม่รับทําเป็นคนมักน้อยแล้วก็บอกว่าจะบวชวันนี้กลับไปหาหมอโง่มารามเป็นคนปรุทุษรายมิตรถ้าเราโกรธสิ่งของเราก็จะขาด เราได้อธิษฐานอ์โบสดประกอบวพระองค์สี่ว้แล้วก็จะต้องพยายามรักษาให้ได้ถึงว่าหมองูนี่จะมาตัดจะมาผ่าจะมาฆ่านี่หรือว่าจะแทงเราก็ตามทีเราก็จะไม่โกรธเลยแต่หากว่าเราจะจ้องดูแกได้ความโกรธแต่ก็จะวินาศย่อยยับไปที่เท่าในชบพลัน แต่ก็ปล่อยเถอเราจะไม่ทําเราจะระกษวโบสถ์ต่อสินยิ่งกว่าชีวิตตามที่เราคิดเอาไว้และตั้งใจไว้เมื่อได้คิดดังนั้นแล้วท่าก็หลับตาเสียสุขศีสะไวไวภายในขันโถตึ้งในสุขศิสะวในใดคํำว่าขันดถตึ้งว่าขดกลมๆนั่นสิสะว้นขันโถนอนนิ่งไม่ได้ไว้ตัวธารมราพายก็ไร้มนเข้าไปใกล้พระโพธิทัต จับหางได้ชาช่ออกมาแล้วก็กดที่ะไว้ให้แน่นงัดปากให้อ้าเคี้ยวยาบ้นออกไปในปากของูริทัดจับหางยกขึ้นให้ที่สะลงต่ำคายยาให้ส้รอบอาหารออกมาจนหมดแล้วก็วางเหยียดลงไปบนพื้นดินแล้วก็เหยียดจนผูริทัดตัวสึกเจ็บเหมือนก็ว่ากระดูกจะแตกไปทั้งหมดในเวลานั้น แล้วแกก็จับหางยกขึ้นฟาดลงกับพื้นดินแหมมันก็ฟาดผ่าพระผู้ได้ทัศน์ได้รับทุกเวทนาทั้งปันนั้นแต่ก็ไม่ได้โกรธก็มีสัจจะคิดว่าเราต้องการสิ่งที่ดีกว่าที่เรามีอยู่ชีวิตร่างกายนี้ไม่มีความหมายที่มาราสาวโบวสดก็ต้องการยามีที่ประสมบัติเหมือพระิ่น เป็นนั้นว่าทิ้งส้วมไปเอาตึกนั่นเองแหละแล้วที่ประสมบัติที่ท่านมีอยู่นี่พูดไปกันเหมือนก็ส้วมมันสู้ที่ประสมบัติเขาไม่อินไม่ได้ตัวท่าตายเพราะอำนาจการมีสินจะได้ที่ประสมบัติอย่างนั้นนี่เป็นกำลังใจถ้าบรรดาลูกหลานทั้งหลายก็ต้องพิว่าเราจะรักษาความดีหรือปฏิบัติตนอยู่ในกฎหมายอยู่ในกฎข้อบังคับข้อหมู่คณนะ ถ้าสาระเบียบประเพณีแล้วก็ศีลธรมรมยิ่งกว่าชีวิตของเราเช่นเดียวกันท่านพุทธทัศน์ถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ประเทศทั้งประเทศจะมีแต่ความสุขคุยกันต่อไปเรื่องพรามอรมารมพายพระรรมาณพระพุทธทัศน์จนหมดกำลังแล้วก็เท้าวันมาถักเป็น ก, ร, กระโปรงจับพระพุทธทัศน์ใส่ ย, ยัดลงไป แต่เวลำตัวของบริทัศน์ใหญ่เข้ากรโปรไม่ได้อารำภายยิงใช้ส้นเท้าทีบเข้าไปจนได้แม่มันแห ม, ม, ม, ม่ไอ้อย่างนี้มันหน้านะเอาหางฟาดปรับเดียวก็อยู่แล้วแต่ถ้าว่าท่านเป็นพระบริสัท์ตั้งใจเวล่าว่าชีวิตตินซีอย่าตายก็ช่างเจ้าหนังเจ้าเนือ้อเจ้าเอ็นเอากระดูกเอาเลือดฉอ ย, ยอมเราจะทรงโบสถ์สีนี้บริสุทธ เสร็จแล้วตาแกก็แบกกระโปรงเข้าไปยังหมู่บ้านแห่งหนึ่งวางกระโปรงลงกลางบ้านประกาศว่าใครอยากจะดูหน้ากราก็เชิญดูจ้าชาวบ้านก็มาล้อมอารามพาย เ, ออเมื่ออารามภายเห็นคนมามุงกันมากพอสมควรแล้ ว, วก็เรียกพยายนหนาออกจากกระโปรง พระพุทธทัตคิดว่าเละวันนี้เราจะเล่นให้ชาวบ้านมีความเรื่อเรืองสนุกสนานเมื่อพระเมราพายได้ทรัพมากแล้วก็คงจะปล่อยเราไปแต่ได้ว่าตาแกจะให้เราทำอะไรเราก็จะทำตามทุกอย่างนี่เป็นการไม่ตายนะเจ็บขนาดนี้ยังไม่ตายพระภูทธทัตคิดในนั้นแล้วจะนี่ออกจากครบรง เมื่อทำภัยบอกว่าใหญ่แปาว่าเอา้าจงทําตัวให้ใหญ่ท่านก็ทําตัวให้ใหญ่มาทําตัวให้เล็กท่านก็ทําตัวให้เล็กท่านบอกเอ้าขดเป็นวงกลมก็ขดเป็นวงกลมเอาคลายออกท่านาก็คลายออกเธอยังแผ่บางพันท่านก็แผ่บางพันเอาทําตัวให้สูงขึ้นท่านก็ทําตัวให้สูงขึ้นทําตัวให้ต่าลงท่านก็ทําตัวให้ต่าลง อ๋อจึงทำตัวเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองเป็นสีแดงเป็นสีขาวแล้วก็พ่นเป็นเปลวไฟพ่นเป็นน้าพ่นเป็นควันท่านก็ทำให้ตามที่ล้ำไพยสั่งทุกอย่างชาวบ้านพอใจมาดูกันแล้วก็แกล้นน้ำตาไว้ไม่ได้จึงให้เงินให้ทองให้เครื่องประดับแพรพันด้านต่า ง, งรวมราคามากให้ แต่แทนที่ตรารามไย่จะปล่อยให้ความโลภไม่เกิดขึ้นกับใจปล่อยได้ยังไง้าคล่องกลับคิดที่จะหามีความโลภต่อไปอีกเพียงเพียงคิดว่านี่บูบ้านเล็กเล็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเล็กขนาดนี้เราเพียงได้ทรัพย์มากเท่เนียงนี้ถ้าไปในในเมืองใหญ่ๆเราจะได้เงินมากกว่านี้นี่ไอความโลภเข้ามาทับใจมันไม่พอคําว่าพอนี่สําคัญ ที่ทนโพธิทัตคิดว่าเขาจะปล่อยก็คาดผิดชาวบ้านสงสารพยายนหน้าใครทรามากก็คิดผิดไอ้คนที่มีจิตประกอบไปด้วยความโลภอย่างนี้มันไม่มีอารมณ์ดีคือขาดไม่ตาคนนี้เยนอย่างนี้น่าจะเป็นทุรีมากกว่าอาลัมพายมีความโลภจึงไม่ได้ปล่อยท่านโพธิทั์เที่ยวนำแสดงในที่ต่างๆจะได้ก่อสร้างนะ สร้างตัวมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีเห็นจะประมาณสักหมืนะนะม่นล้านมั้ง่ปยังไม่พอยังไม่พอหากินสบายอารัมภายก็คิดการใหญ่ต่อไปให้ช่างทำกับโรงแก้วใสพระโพธิทัศน์ตนเองก็ขี่ยานเล็กๆคือทำรถอย่างอยากแบบสบายๆพ า, าบริวารออกจากบ้านให้พระโพธิทัศน์แหมเอาจริงๆนะ เล่นไปตามบ้านและตามนิคมต่างๆจนบรรลุถึงมนคลพาราณศีอารามภายไม่จัดอารมพายไม่จัดเข้าตอกน้ำผึ้งให้พญาน่ากินข้าแต่กบให้กินอย่างเดียวพระโูริทัต ก, ก็ไม่ได้กินเพราะว่าท่านไม่ยอมกินของนี่ราศสาวโวสดทศศรีทศาาต้องตายเพราะท่านท่านไม่กิน อารามพายเห็นพระโพธิทัศตแสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองนะเนี่อารัมภายให้พระโพธิทัศน์แสดงอยู่ตามหมู่บ้านใกล้ประตูเมืองทั้งสีด้านจนสิ้นเวลาไปถึงหนึ่งเดือนครั้นถึงวันอุโบสถสิบห้าค่ำอารัมพายยิงกราบทูลพระเจ้าพาราณาสีว่าจะให้หนาคราชเล่นถวาย ให้เจ้าพ า, าราซาพาราลสียนตบรรากาศให้มหาชนมาดูมหาชนพากันมานั่งรถหลังกันเป็นตามลาดับเป็นชั้นๆในที่พระลานหลวงเพื่อจะดูพญานาสแสดงตอนท้ายนี่พูดไวไปหน่อยเพราะว่าเรื่องมันก็จะไม่จบตอนเร่งรัดเพราะเวลามันหมดเวลานี้ก็หมดเสียแล้วในหลกหลานทรัต ก, ก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูร ณ, ณ, ณ์ผลผลจงมีด่ลูกหลานทีขข่รักทุกคนและท่านเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุแห่งนี้ที่มีความเมตตารานีและบรรดาท่านบริษัททุกท่านสวัสดี